โอกาสพระพิสุุสง์สมณนเจริญพรไปยังแม่ชีอุบาสกุบาสิกาก็ขอให้ทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นได้มาร่วมเวียนเทียน กรพัพิสุสงในวันนี้ก่อนที่ทุกคนทุกท่านจะได้นั่งสมาธิหรือเจริญภาวนาก็ตามแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลของแต่ละท่านแต่ทางวัดขวิติสุกโตก็จะมีการปฏิบัติแบบอย่าง เป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญอะไรของทางพระพุทธศาสนาก็ตามแต่แต่วันไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับวันนี้อยู่แล้วเพราะในขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นวันพิเศษอะไรมากแต่ก็เป็นเหมือนวันที่พิเศษสาหรับชีวิตเรา สำหรับสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเราสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้กระทาลงไปแล้วในวันนี้ก็ <S <S ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ประพฤติปฏิบัติพึงได้กระทําแล้วแต่ก็ยังไม่สิ้นสุดแต่ก็ยังไม่จบกับการประพฤติปฏิบัติของตัวเราเองในวันนี้ ก็ยังไม่ได้ผ่านไปเพราะนั้นในขณะนี้เมื่อทุกคนทุกท่านมีความพร้อมที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองมีความพร้อมสร้างบุญให้กับตัวเองเราก็ต้องเตรียมตัวเราให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมที่จะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเราเอง ก็เมื่อพร้อมแล้วก็ข อ, ขอให้ทุกคนทุกท่านจงก็ค่อยหลับตาเพื่อที่จะทําสมาธิเพื่อจะกําหนดพุดโทโธเพื่อจะกําหนดอรหังสัมมาหรือจะกําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แล้วแต่ที่ทุกคนพึงสามารถกําหนดได้แต่กําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากมายเกินไป มันก็สู้เรากำหนดใจเราเองไม่ได้เราต้องกำหนดใจเราก่อนเป็นเบื้องตน้นกายเราไม่ต้องกำหนดเพราะกายเราเรียบร้อยแล้วกายเราสงบกายเรานิ่งแล้วสิ่งที่เราต้องกำหนดให้มากที่สุดในขณะที่เรานั่งหลับตา ก็คือใจเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดภายในกายเราเรากำหนดรู้ได้หรื อ, อยังเรากำหนดเห็นได้หรือเปล่าเรากำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นในอารมณ์ได้หรื อ, อยัง เรากําหนดสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดได้หรือยังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติเรารู้ตัวเราหรือยังเรารู้สติเราหรือยังเรารู้ความเป็นไปในสังขารเราหรือยังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมต้องทําความเข้าใจให้ดีเสียก่อน ผู้ ป, ปฏิบัติธรรมต้องทำความเข้าใจให้ได้เสียก่อนถ้าเมื่อเราทำความเข้าใจไม่ดีแล้ว เราทำความเข้าใจไม่ได้แล้วเราหลับตาเราก็ไม่ได้อะไรเจอแต่ความมืดบอดเจอแต่ความมืดมัวเจอแต่ความมืดมนภายในใจไม่มีแสงสว่างแสงสว่างของสิ่งใดเลยที่เกิดขึ้นภายในใจเราเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นที่จะกระทำในสิ่งที่ดีเรามีพระธรรมคำสั่งสอนของอ ง, องรรค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตัดไว้ดีแล้วซึ่งวางไว้ดีแล้วเราเป็นชาวพุทธเราเป็นพระสาวกเราเป็นศาสนาอุบาสกอุบาสิกาเราประพฤติปฏิบัติตามกรรมพระธรรมคําสั่งสอนของอสมันสัมพุทธเจ้าซึ่งเราก็ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานา น, านพอสมควรถ้าใจิตใจเรายังไม่มีพระธรรมเป็นที่ตั้ง ภายในจิตในใจเนี่ยเราปฏิบัติไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรปฏิบัติไปแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมา ในขณะเดียวกันในบางคนในบางท่านก็ยังคิดก็ยังสงสัยก็ยังลังเลเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะได้อะไรเมื่อเราเราทําไปแล้วเราจะได้อะไรตอบแทนให้กับตัวเราบ้างเราต้องคิด ถึงใจเราก่อนเราต้องคิดถึงตัวเราก่อนอย่างที่ได้บอกไปแล้วในข้างต้นว่าถ้าในขณะที่ใจเรายัางไม่รู้ ในขณะที่ตัวเรายังไม่รู้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรในพระธรรมคำสั่งสอนเราจะเข้าถึงพระธรรมคำสั่งสอนได้อย่างไรเราจะรู้ชัดถึงสัจธรรมก็คือความเป็นจริงเราจะรู้ได้เช่นไรรู้ในที่นี้หมายถึงอะไรเราเคยถามตัวเราเองไหมเราเคยหาคำตอบให้ตัวเองเราได้หรือเปล่ารู้ในในที่นี้เนี่ยก็ คือต้องรู้ให้จริงรู้ให้จริงเนี่ยคือต้องรู้ในอะไรรู้ในอนัตตาก็คือความไม่ใช่ตัวตนถ้าความไม่ใช่เราถ้าเรารู้ได้เนี่ยเราก็จะเข้าใจไม่มีอะไรเลยที่เป็นเราไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเรา เราลองคิดเราลองพิจารณาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราสิ่งที่เราถือว่าเป็นของเราเนี่ยพอเรายึดมันไว้เมื่อกระทั่งตายก็ไม่ได้เป็นของเราเลยเมื่อวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันแตกสลายดับไปกายก็ไม่ใช่ของเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้น ตังอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือความเป็นจริงที่สุดที่ผู้ ป, ปฏิบัติต้องทำความเข้าใจต้องใช้สติปัญญามองให้เห็นความเป็นจริงที่เป็นไปในชีวิตเราให้ได้ถ้าเรามองไม่เห็นความเป็นจริงที่เป็นไปในชีวิตเราเนี่ยชีวิตเราจะเดินหน้าไปได้ยังไงชีวิตเราจะเดินต่อไปได้ยังไง ก็นในเมื่อเรามองไม่เห็นความเป็นจริงในชีวิตเราเลยในชีวิตเราเจอแต่สิ่งหลอกลวงเจอแต่สิ่งที่โกหกมีแต่สิ่งที่แก้งทากันโดยเราไม่รู้ว่าความเป็นจริงนั้นคืออะไรกันแน่ความเป็นจริงที่เราต้องการอย่างแท้จริงคืออะไรกันแน่ความเป็นจริงที่เราจะทำให้ใจเราสงบ มันคืออะไรกันแน่ความเป็นจริงที่จะทำให้ใจเราได้ดูคืออะไรกันแน่เราต้องทำความเข้าใจกับตัวเราเองให้มากที่สุดเราต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราให้มากที่สุดเราถึงจะรู้ทันตัวเองเราถึงจะประคองตัวเองได้ เราถึงจะใช้ชีวิตของตัวเราเองได้ไปในทางที่ถูกต้องตราบใดที่เรายังมีแรงแตราบใดที่เรายังมีกำลังอยู่เรายังประคองตัวเองได้เราต้องช่วยเหลือตัวเราเองได้เราก็สามารถจะไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้โดยที่เราลืมคิดโดยที่เราลืมนึกว่า ถ้าวันใดวันหนึ่งร่างกายนี้ของเราทำอะไรไม่ได้เดินเหินไปไหนก็ไม่ได้จะลุกก็ไม่ได้ จะนั่งก็ไม่ได้จะนอนก็ไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกับชีวิตของเราที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องอาศัยบุคคลอื่นเราก็ต้องอาศัยผู้อื่นเพื่อที่ให้ผู้อื่นเนี่ยประคองชีวิตเราไปให้ผู้อื่นเนี่ยนำพาชีวิตเราไปไปในทางที่ดีไปในทางที่ถูกต้อง ชีวิตคนปกติแล้วถ้าอยู่คนเดียวก็อยู่ได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเรากําลังหลอกตัวเองอยู่เราอยู่ไม่ได้เพราะมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยต้องอยู่ในสังคมจะเป็นสังคมใดก็แล้วแต่จะเป็นสังคมที่ใหญ่หรือว่าเป็นสังคมที่เล็กแต่เราก็ต้องอยู่รวมกัน อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามแต่เราต่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพราะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายเมื่อเราได้มีความมุ่งมั่นเรามีความเพียรเรามีความพยายามด้วยกายของเราแล้วด้วยใจของเราแล้วเหลืออีกอย่างเดียวที่เรา ยังไม่ได้ทำในขณะนี้คือความตั้งใจอีกหนึ่งอย่างความตั้งใจที่เราได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกความตั้งใจตั้งแต่ต้นที่เราได้เดิ่มเราตั้งใจไว้แล้วแต่เราก็ต้องทำต่อเพื่อให้สิ่งที่ตั้งใจนั้นประสบผลสำเร็จกับตัวเราเพื่อให้สิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่ส่งผลให้กับ ตัวเราเองเพราะนั้นในค่ำคืนนี้เมื่อเรามีโอกาสวันนี้เป็นวันอาสาหาบูชาหรือวันอาสารหาบูชาที่เราเ่าชาวพุทธได้รู้ว่าคือวันอะไรสำคัญเช่นใดนควรประพฤติปฏิบัติเช่นใดนเราเข้าใจแล้ว เราก็ต้องให้ความสาคัญเช่นนั้นเราต้องประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นอย่าประพฤติไปนอกรูนอกทางอย่าประพฤติไปผิดในพระธรรมคาสั่งสอนท่านั้นเราไม่ได้เป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงเพราะนั้นผู้ที่เป็นชาวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นพระพิสุสงฆ์สมณีนแม่ชีหรืออุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเรามีโอกาสมากกว่าบุคคลอื่นในโลกนี้เรามีโอกาสมากกว่าบุคคลทั่วไปในโลกนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาโดยที่ไม่มีศีลโดยที่ไม่มีธรรมโดยที่ไม่ได้เข้าวัด โดยที่ไม่ได้ทำบุญโดยที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรเลยแล้วทำไมชีวิตถึงดำเนินอยู่ได้ชีวิตเนี่ยต้องดำเนินไปตามเหตุตามปัจจัยตามผลของกรรมของแต่ละคนที่ทำไว้บุคคลใดกระทำกรรมดีแล้วผลแห่งกรรมดีก็จะนำไปพบในสิ่งที่ดีจะนำไป เจอแต่ทางที่ดีแต่ถ้าบุคคลใดไม่ได้มีศีลไม่ได้มีธรรมไม่ได้ปฏิบัติสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเองก็จะพบแต่กรรมวิบากกรรมกับชีวิตโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวเพราะฉะนั้นชีวิตเรามีเรื่องราวชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ละคนก็ต่างมีเรื่องเล่าแต่ละคนก็ต่างมีเรื่องรา ว, แ ต, ตารราวแต่ละคนก็มีความ ความเป็นไปความเป็นมาเยอะแยะไปหมดจนไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นแต่ในขณะที่ชีวิตเรากำลังเดิมเนินไป เราต้องดำเนินชีวิตไปเช่นใดเพื่อที่เราจะเดินต่อเพื่อที่เราจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นผู้ประพฤติปฏิบัติทำทั้งหลายสิ่งที่ทุกคนกำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะ น, นี้ถือว่าทุกคนทุกท่านมาถูกทางแล้ว เมื่อเรามาถูกทางแล้วเราก็พยายามอย่าเดินให้ผิดทางพยายามอย่าเดินออกนอกทางพยายามอย่าเดินออกไปนอกลู่ที่เราอย่างที่เราเคยทํามาก่อนสิ่งที่ดีเท่านั้น พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เท่านั้นที่จะพาให้เราไปพบกับแสงสว่างที่จะทําให้เราไปเจอกับแสงสว่างที่อยู่ข้างหน้าเราชีวิตเรามีแต่ความมืดบอดมีแต่ความมืดมัวมีแต่ความมืดมนอย่างที่ได้บอกไปความมืดบอดแห่งชีวิตความมืดบอดแห่งใจความมืดบอดแห่งอารมณ์ความมืดบอดแห่งตังหาความมืดบอดแห่ง ความต้องการความมืดบอดแห่งความอาฆาตความพยาบาทความปองร้ายความอิจฉาลิษยาสิ่งเหล่านี้คือความมืดที่อยู่ในกายเราสิ่งเหล่านี้คือความบอดที่อยู่ในกายเราสิ่งเหล่านี้คือความดําที่อยู่ในใจเราเพราะนั้นเมื่อเราตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติ ทำแล้วเราก็ต้องทำให้กายเรามีแต่แสงสว่างใจเราก็ต้องมีแต่แสงสว่างสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องเกิดแข็งสว่างขึ้นภายในใจต้องเกิดแสงสว่างขึ้นภายในกายเราถึงจะประพฤติปฏิบัติแล้วไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่ดีที่สุดที่เรา ตัดสินใจแล้วว่าเราเลือกทางนี้เราจะไปทางนี้เราจะเดินตรงนี้เราจะไม่ไปทางไหนแล้วเมื่อความตั้งใจมั่นความมุ่งมั่นที่เรามีเนี่ยด้วยความเพียรด้วยความพยายามด้วยความมณะความอดทนด้วยสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นภายในใจเราเราก็สามารถปฏิบัติทําได้ แต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บอกได้กล่าวไว้เยอะแยะมากมายในพระธรมรมคมสั่งสอนรวมถึงในวันนี้ด้วยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้ประพฤติปฏิบัติไปในทางสายกลาง เอาทำความเข้าใจกันง่ายๆว่าทางสายกลางนี่คืออะไรทางสายกลางในความ ห, หมายขององค์สัมมาสัมพธธุทธเจ้าที่ได้กล่าวไว้ก็คือปฏิบัติเปรียบการปฏิบัติเนี่ยเปรียบเสมือนพินสามสายก็คือไม่ตึงจนเกินไปตึงเกินไปอาจจะขาดง่ายฟังแล้วอาจจะเสียงอาจจะแข็งเกินไป ย่นเกินไปคือไม่ย่นจนเกินไปถ้าย่นเกินไปเสียงอาจจะไม่เพาะก็ได้เหมือนการปฏิบัติองค์สมมาสามพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบไว้อย่างนั้นถ้าการประพฤติปฏิบัติย่นเกินไปมันก็ดูแล้ว ม, มันก็ไม่เหมาะไม่ควรเพราะน่้นองค์สมมาสามพุทธเจ้าจึงเปรียบพินเส้นที่สามไว้ว่าให้ประพฤติปฏิบัติแบบทางสายกลาง คือไม่ตึงจนเกินไปและไม่หยเดเกินไปเอาแบบพอดีพอดีฟังแล้วดูไลเาะฟังแล้วดูแล้วสละสลวยสวยงามเป็นที่น่ายินดีเป็นที่น่าชื่นชมเช่นเดียวกับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายทางสายกลางเป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกทางสายนี้แหละ ทางที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เดินไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วได้วางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม้กระทั่งชีวิตของตนก็วางลงบนทางสายนี้แม้กระทั่งภาระอันหนักหน่วงของตนก็วางอยู่บนทางสายนี้แม้กระทั่งครอบครัวแม้กระทั่งสมบัติแม้กระทั่งเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้วางไว้หมดแล้วในทางสายนี้เพราะนั้นรวมไปถึงพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปูไว้เป็นทางเดินเพื่อให้ผู้ประพ ป, ปฏิบัติธรรมเนี่ยได้เดินไปตามพระธรรมคำสั่งสอนพระธรรมคำสั่งสอนมีเยอะแยะมากมายจะหยิบยกมากล่าวให้หมดก็คงกล่าวไม่ได้แต่ไม่จําเป็นต้องกล่าวให้หมดไม่จาเป็นต้องกล่าวให้เยอะ แค่กล่าวน้อยๆแล้วเข้าใจเลยแค่พูดน้อยๆแล้วก็รู้เลยเราใช้สติปัญญาในขณะนี้เนี่ยคิดแล้วก็พิจารณาตามว่าทางเดียวคือทางสายเอกที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปแล้วถึงแล้วซึ่งจุดหมายปลายทางซึ่งแล้วซึ่งทางปรินิพานไม่มี สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะกี่กันได้ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะมาขัดฝังได้ไม่ว่าจะเป็นพยามารไม่ว่าจะเป็นเจ้าคำในเวรไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็แล้วแต่ไม่สามารถขัดฝังทางสายนี้ได้แน่นอนเพราะทางสายนี้เป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปถึง จุดหมายปลายทางแล้วเสด็จไปถึงหนทางแห่งปรินิพานแล้วนี่ทางสายนี้เราน่าเดินทางสายนี้เราน่าเราน่าไปทางสายนี้เราน่าไปให้ถึงเส้นชัยว่าเส้นชัยในทางสายนี้เนี่ยมันเป็นยังไง เพราะนั้นแล้วผู้ประพตปฏิบัติธรรมทั้งหลายกายเราเท่านั้นเองใจเราเท่านั้นเองมีอยู่แค่นี้เองร่างกายเราไม่มีอะไรมากมายเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในกายให้เรารู้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในใจให้เรารู้มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยมันเป็นสิ่งที่เราต้องรับรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วในขณะนี้กายเราเป็นเช่นไรก็ให้เรารู้ในขณะนี้ใจเราเป็นเช่นไรก็ให้เรารู้สิ่งต่างๆเหล่านี้คือสภาวะ แห่งความเป็นจริงคือสภาวะที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนอยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องกำหนดเราต้องเข้าใจในความเป็นไปในชีวิตในความเป็นไปในวัตจัวัตจัคือการเวียนว่ายายเกิดอย่างที่ได้บอกไปในเบื้องต้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เหมือนในขณะนี้เราได้ฟังมาพอสมควรแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วในขณะหนึ่งสุดท้ายที่สุดแล้วการแสดงธรรมก็ จ, จบไปเช่นเดียวกันเพราะนั้นผู้ประพฤติปฏิปัติธรรมทั้งหลายสิ่งที่เราพึงจะได้ในขณะนี้พึงที่เราพึงจะทำในขณะนี้มีแค่กายกับใจเราเท่านั้น เราลองมองไปที่กายลองมองไปที่ใจดูไปที่กายแล้วก็ถามไปที่ใจกายเราเหนื่อยมามากแล้วกายเราเหนื่อยมาเยอะแยะมากมายโดยที่เราเดินทางมาไกล เกือบจะสุดทางแล้วในขณะบางคนก็เพิ่งจะเริ่มเดินทางในขณะบางคนก็เพิ่งจะไปได้ครึ่งทางแต่อยู่ที่ตัวเราเองเท่านั้นเราจะไปถึงปลายทางหรือว่าไม่ถึงปลายทางเนี่ยเราก็ต้องใช้ความเพียรต่อไป ใช้พยายามต่อไปวันนี้เราความพยายามน้อยก็ไม่เป็นไดเรามีวันอื่นเรามีความพยายามมากเราก็ทำให้มากหน่อยวันนี้เรามีความอดทนมากเราก็ทำให้มากหน่อยวันไหนเรามีความอดทนน้อยเราก็ทำให้น้อยได้ไม่เป็นไดแต่เราต้องทำให้ถูกทางทำให้ถูกที่เหมือนเราต้องทำให้ถูกที่แล้วก็ต้องดีให้ถูกทางและทางเดียว ทางนี้เนี่ยคือทางสายเอที่ทุกคนสามารถ ให้ถึงปลายทางได้โดยที่ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ขัดข้องใจแล้วก็ขุนมัวใจเราจะไปด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราเราจะไปด้วยใจที่ใสสะอาดเราจะเดินทางสายนี้ด้วยความบริสุทธิ์ของเราเราไปด้วยความเปลี่ยนด้วยความพยายามกับกายได้ใจเรานี่แหละ สุดท้ายแล้วเราก็ถึงปลายทางจนได้ไม่วันใดวันหนึ่งเราต้องถึงปลายทางแน่นอนเพราะนั้นก็ขอฝากไว้เพื่อให้ผู้ที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้มาร่วมสวดมนต์ทรัพเย็น กับพระพิสุสงฆ์ได้มาร่วมเวียนเทียนได้มาทําหน้าที่ของชาวพุทธได้มาทําหน้าที่เป็นลูกทศกทขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้มาทําหน้าที่ใน สิ่งที่ดีให้กับตัวเองด้วยแั้นสิ่งที่ทุกคนได้กระทำแล้วในวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ติตตัวทุกคนไปตลอดเราก็พยายามมองพยายามนึกให้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ในกายอยู่ในใจเราตลอดไปโดยที่จะนำไปเป็นสิ่งที่ พาชีวิตเราไปในทางที่ดีได้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วใช้เวลามาคงพอแกเวลาที่จะได้ให้โยมทุกคน ที่ได้มาประพฤติปฏิบัติได้รวมกันกวัน้ํากับพระพิสุสงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งแต่อย่าเพิ่งรีบถอนจากสมาธิให้รู้ตัวเองก่อนให้รู้ตนเองก่อนให้รู้ใจก่อนค่อยๆผลคลายทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเพิ่งรีบ โดยที่ขาดสติยาพึ่งรีบโดยที่ไม่มีสติค่อยๆขยับแขนค่อยๆขยับขาค่อยๆลืมตาค่อยๆปรับอารมณ์ค่อยๆปรับใจเราก่อนให้เรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าโดยที่พิจารณาตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้แล้วก็ค่อยๆลืมตาออกจากสมาธิ เมื่อเราด่มตา อ, ออกจากสมาธิแล้วเราก็จะได้กดนา้าพร้อมกับพระภิกษุสองอีกครั้งหนึ่งก็เป็นลำดับสุดท้ายที่เราได้กระทำร่วมกันอีกในคำเืินนี้